สวัสดีเจตนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องเจตนาเจตนานี่คือมันออกมาจากใจใจของเรามีความคิดอย่างไรเก็บอย่างไรไว้เอาอะไรไว้มันก็จะแสดงออกมาเมื่อแสดงออกมาก็กลายเป็นเจตนา เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดที่เหลือวิสัยเช่นอย่างในวินัยของพระถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นอบตบถ้ามีเจตนาจึงจะเป็นอบตบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเจตนาตัวนี้จะเป็นบุญก็คือเจตนาตัวนี้จะเป็นบาปก็คือเจตนาตัวนี้ เพราะฉะนั้นตัวเจตนาจึงเป็นตัวต้นเมื่อเป็นตัวต้นจึงเป็นตัวที่จะจําเป็นที่จะต้องพยายามที่จะฝึกฝนหรือว่าพยายามที่จะทำให้เจตนานี้เกิดมีการเจตนาที่ไม่ผิดหรือเจตนาที่ให้ร้ายอะไรต่างๆงเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะได้ทรงแสดงธรรมะพระองค์จึงได้แสดงถึงเรื่องจิตใจเมื่อแสดงถึงเรื่องจิตใจก็คือแสดงถึงเรื่องสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นเป็นที่ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตแล้วก็คือจิตอันเดิมนี่แหละคือตัวต้นของการเจตสนานี่แหละ เราเบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็คือตัวต้นของตัวเจตนาเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลผู้เท็มารู้หนทางที่ว่าพระพุทธเจ้าได้แนะนำถึงเรื่องอาการปฏิบัติสมาธิแล้วเราก็ปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามแล้วสมาธินี่ผิดพลังกิตพลังจิตก็จะ กระายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพลังจิตเนจะมาทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสะอาดหรือเรียกว่าบริสุทธิ์ที่จิตท่อเราไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเต็มไปด้วยอาสวะกิเลสต่างๆนาน า, นามีอยู่มากมาย ราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงความผูกพันวายความอาฆาตความจองเวนสารพัดเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากจิตนี้เป็นปสมเพราะฉะนั้นจะแก้สิ่งต่างๆจึงจำเป็นที่จะต้องมาแก้ที่จิตเมื่อทำสมาธิแล้วก็ถือว่าเป็นการมาแก้ที่จิตเพื่อที่จะให้จิตเนี่ย มีเจตนาที่ไม่ไปเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างไรก็ตามการทศจะมาปฏิบัติแก้หรือว่ามาปฏิบัติเรื่องสมาธินี่คนทั้งหลายก็ไม่ค่อยอยากจะทำกันเมื่อไม่อยากจะทำกันมันก็เลยมีแต่จะเพิ่มพูนตัวเจตนาตัวเนี้ให้ไร้กาดเพิ่มขึ้นไปเรื่อย การแกรทั่งถึงจุดแตกหักมันก็เกิดการลำบากทั้งครอบครัวเกิดความลำบากทั้งสังคมเกิดความลำบากทั้งประเทศชาติเกิดความลำบากทั้งโลกก็เพราะตัวเจตนาเนี่เมื่อบุคคลได้พากันมาสร้างสมาธิให้แล้วเนี่ยก็จะมาทําความสะอาดให้แก่ตัวเจตนาตัวนี้ มันเป็นอัตโนมัติคือการทําสมาธินี่เราไม่ต้องไปปัดไปกวาดเราไม่ต้องไปเอาน้ำมาล้างหรือไม่ต้องไปเช็ดไปถูแต่ว่าเมื่อเราทําสมาธิแล้วพลังจิตเกิดขึ้นแล้วพลังจิตอันนี้จะมาทําความสะอาดให้แก่กจิตเองเป็นอัตโนมัติจึงมีอยู่ว่าให้เจริญ กเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภาวิโตภุริกรโตจเจริญให้มากกระทําให้มากมัดเนี่ยควรเจริญให้มากอริยสัจมีอยู่สีข้อข้อที่หนึ่งคือตัวทุกข์นั่นให้กําหนดรู้สมมติไทยให้กําหนดละนิโรดให้ทําให้แจ้งมัดควรเจริญให้มาก เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก่นแนะนำมาให้ทําสมาสมาธินี้ให้มากเมื่อทําสมาสมาธิได้แล้วนี่สมาธิ ม, ม, ม, มันไม่ผิดเออเป็นสมาธิที่ถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สามารถที่จะมาขัดเกลาตัวเจตนาของเรานี่มันไม่ใช่แต่ของเราอย่างเดียวในเพื่อนมนุษย์ด้วยทุกคนทุกคนในห ล, หลายๆคน ในเป็นหมู่มากขึ้นต่างคนต่างมีสมาธิก็มีเครื่องขัดเกลาจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดการเอาัยกันขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ต้องฝูกพยาบาทตรอาคาาจองเว้นกันทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เกิดความสุขสบายสุขสบายทั้งครอบครัวสุขสบายทั้งสังคมสุขสบายทั้งประเทศชาติสุขสบายทั้งโลก เพราะฉะนั้นก็จําเป็นอยู่เองที่เราจะต้องแสวงหาในการที่จะทําสมาธิเพื่อที่จะทําให้ตัวเจตสนาตัวนี้ให้ไม่เกิดความเข่าสะอาดขึ้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากที่คนจะมาสร้างสมาธิให้แก่ตนเป็นสิ่งที่ง่ายมากใครๆก็ทําได้แต่ว่า จำเป็นที่จะต้องมีผู้แนะนำสั่งสอนและจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนกัิยาณมิตรในการที่จะทำสมาธินี้ให้ก้าวหน้าต่อไปสวัสดีสาธุ